ก็ไม่มาเท่าไหร่แต่ว่ามีอาการปวดหัวปวดท้องเนือหลังความดันก็สูงด้วยไปหาหมอทั้งแล้วทั้งเราก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหมอก็ แปลกใจกเพราะว่าร่างกายก็ตัวร่างกายก็เป็นปกติแต่หลังหมอก็เลยถามว่าให้ช่วยเล่าชีวิตให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงจึงจะเล่าด่าไปแล้วหมอก็สะดุดใจที่จะบอกว่า มีเรื่องผิดใจบาดหมางกับพี่สาวสองคนเพราะว่าพี่สาวทิ้งเขาให้ไปใช้ชีวิตเผชิญปัญหาตามลำพังมาเมื่อหลายปีก่อนเขาก็รู้สึกขุนเคืองไม่พอใจน้อยเนื้อต่ำใจ หมอก็เลยสงสัยว่าไอ้เนี่ยคงจะเป็นสาเหตุความรู้สึกอย่างนี้ก็เลยแนะนำให้คู้หันนี้ให้ภยทวิสาวคนไขยแล้วนี่เขาก็คงจะงงว่ามันเกี่ยวอะไรด้วยก็หลายปีต่อมาก็หมอคนนี้ก็ แด้รับจดหมายจากผู้ป่วยจากหญิงสาวคนนี้บอกว่าตอนนี้ก็คืนดีกับพีสาแล้วแล้วก็อาการก็หายไปปิดทิ้งเลย น, นี้ก็ต็อเป็นเหตุการณ์ที่ช่อเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับร่างกายหรืออารมณ์กับสุขภาพ ในกรณีนี้ก็เป็นอารมณ์โกรธคุณเครื่องขัดข้องที่มันหมักหมมสะสมกันนานมาหลายปีก็มีผลมันไม่ใช่บันทอนแต่จิตแจเนี่แต่วมันไปกัดก่อนร่างกายด้วย อารมณ์ที่บักหมมสะสมนี้ก็อันตรายอาจจะไม่นอ้อยดปกว่าอาหารที่หมักหมมอยู่ในร่างกายเวลานี้เราก็ควรจะสนใจเรื่องการถอนพิษการเรียกว่าอะไรการถอนพิษหรือว่าการ ก็จัดสารพิษในร่างกายหรือว่าสารพิษที่มาจากอาหารถึงมันสะสมหมักหมมเอาไว้นานร่างกายขับถ่ายก็ไม่หมดก็เลยมีสารพิษสะสม ตามอวอิบัตต่างๆในร่างกายนี้เดี๋ยวนี้ก็เอาใจใส่ในการที่จะระบายถ่ายเทมันออกไปแต่ว่าก็ยังมีจำนวนน้อยอยู่ที่สนใจหรือเป็นห่วงเกี่ยวเรื่องอารมณ์ที่มันหมักหมมอยู่ในใจของเรา อารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเหมือนกับสายลมมันก็มีแต่ว่าบางทีมันก็ทิ้งตะกอนอารมณ์เอาไว้มันก็อาหารที่เรากินเข้าไปมันก็ถ่ายไ ป, ถ, ยไปถ่ายไปเป็นกัญละ แต่มันก็ทิ้งเศษทิ้งคราบเอาไวใ้ในกระเพาะเราในลำไส้ของเราบางทีงก็ทิ้งไว้ในตับ อ, อารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อจะเป็นโกรธเสียใจเศร้าโศกแคนเพียบาทเกิดขึ้นเสร็จแล้วตอนหลังก็เป็นปกติแต่ว่ามันก็ทิ้งตะกอนเอาไว้อันนี้เราเรียกว่าอนุใส ตะอกล อ, อารมณ์ซึ่งมันสะสมมากๆก็จะทําให้คนนั้นจะจะเกิดอารมณ์นั้นง่ายขึ้นเช่นโกรธง่ายขึ้นเศร้าง่ายผิดหวังง่ายทุกข์ยากง่ายนี่นตะกล อ, อารมณ์แต่ที่มันแย่นั้นคืออารมณ์ที่ ท, ที่ไม่ดันไม่คันจะหาย แต่ว่าไปไปประคับประคองหรือไปรอเลี้ยงมันเอาไว้เช่นโกรธไปแล้วก็ก็ยังโกรธอยู่คุณคิดในอารมณ์เหล่านั้นเป็นวันเป็นคืนผ่านไปแล้วหกผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหกวันอหกเดือนก็ยังยังยังอยู่อันนี้หนักเข้าไปใหญ่มันไม่ใช่ตะกอนอารมณ์แล้วพอ น, นี้มัน มันากลายเป็นอะไรเป็นเป็นพายุอารมณ์แล้วอันนี้ก็คนก็เป็นกันมากแล้วก็ไม่รู้จัด ก, การอย่างไงกับมันก็สะสมหมักหมมจนกระทั้งเอาเรจาจัดการแล้ไม่อยู่ควบคุมแล้ไม่ได้ก็เล่นงานเรา บางทีไม่ใช่แค่ป่วยนอนป่วยนี่ทีก็ทำร้ายตัวเองนะหรือแม่ก็ระบายใส่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดืดร้อนถึงกระชีวิตกมีอันนี้ก็ที่จิมันก็เริ่มต้นมาจากประกายนะประกายอารมณ์หรือสะเก็ดอารมณ์ าตากระทบลูกหูได้ยินเสียงเนี่ยสมมุติว่าลูกหรือเสียงที่มากระทบนันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นทุกขเวทนาร้อนปวดเมื่อยไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเราก็ปรุงต่อไป ใจก็ปรุงต่อไปเป็นความชอบความชังเกิดความยินดีร้ายให้ยินดีก็ไม่ทําไรแจะยินร้ายนี่มันก็ทำให้กลายเป็นอารมณ์ที่ถ้าถ้าไม่ทำแล้วมันก็ดับนะมันก็ดับไปเองแต่คนส่วนใหญ่ก็ไป ไปเติมเชื่อตเติมตเติมฟื้นให้มันในตอนที่เกิดความไม่พอใจหรือเกิดทุกขเวทนาขึ้นหรือวพาทุกขเวทนาทางกายแล้วเกิดเป็นความกุ่นเคืคงมันก็เริ่มต้นจากสเก็ดไฟสเก็ตเล็กๆหรือประกายไฟถ้าไม่ทำอะไรกับมันมันก็ดับประกายไฟรั่วขึ้นมาแล้วก็ดับ กายอารมณ์สะเก็ดอารมณ์ก็เหมือนกันถ้าไม่ทำอะไรกับมันมันก็ดับแต่พอไปไปไปเลี้ยงมันเอาไว้เหมือนกับเลี้ยงไฟเติมเชื้อเติมฟืนให้มันมันก็ลามกลายเป็นกองเพลิงกลางใจนั่นถ้าปล่อยไปต่อไปก็แปลกายปกลาเป็น เรยว่าและมหาอักขีไปเลยอันนี้ก็เพราะว่าเราปล่อยให้มันลุกลามหมกหมมสะสมเข้าไปบางทีมันก็ไม่ถึงกับเป็นพุ่งพล่านออกมาแต่มันมันคู่อยู่ข้างในยืดเยื้อ อ, อย่างกนณีผู้หญิงคนนี้มันก็เขก็ไม่ได้อลาวาดออกมาไม่ได้อลาวาดแต่ว่ามันคู่อยู่ข้างใน แล้วก็ก็ไปทำ้ายจิตใจร่างกายวิธีนี้จะทำอย่างไรเมื่อเจอกันนี่จะทำอย่างไรที่จริงก็ถ้ามีสติตั้งแต่แรกรูท้ทันในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งเป็นแค่ประกายไฟก็ไม่ปรุงให้มันยืดยาวต่อไปก็จบ เท่านี้ก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีสติรู้ทันแล้วก็ยังเผลอเผลอไปเลี้ยงมันไม่ว่าอารมณ์ที่นา ย, ยินดีไลยเราเป็นเลี้ยงมันทั้งนั้นแหละโกรธใครเกลียดใครก็คิดปรุงคิดซ้ำย้ำทวน ในการผ่านไปนานแล้วก็เหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นเพราะว่ายัางสดยังใหม่เนื่องจากฝังใจเอาไว้แล้วก็ขุดหรือขึ้นมามบ่อยๆเหมือนกับว่าเราเอาวิดีโอเอาซีดีเรื่องเดิมมาฉายซ้ำอยู่นั่นแหละ แล้วก็บางทีก็ขยายความต่อไปเรื่อยๆปรุงออกไปมากมายขึ้นถ้ามันไปถึงขั้นนี้แล้วบางทีสติก็เอาไม่อยู่แล้วจะรู้ทันอารมณ์เฉยๆนเ อ, เอาเอาไว้ไม่ได้แต่ว่า ถ้าหากว่ามันมีธรรมะเขาอื่นเข้ามาช่วยเข้ามาเสริมด้วยก็อาจจะพอสู้ไหวเช่นแผ่เมตตาให้กับเขาหรือว่าให้อภัยนึกให้อภัยเขามันก็ช่วยได้แต่ถ้าดีเราก็มีสติตั้งแต่แรก สตินี้ช่วยเดิมาในการที่จะรื้อถอนอารมณ์ไม่ให้มันหมักหมมหรือว่าสะสมเอาไว้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็พอที่จะเราก็ไม่รู้ว่าอารมณ์เก่าๆที่สะสมไว้เดิมนี่มันมีเท่าไหร่ อารมณ์ใหม่ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามีสติรู้แต่ว่าสิ่งที่สะสมไว้ข้างในลึกๆนี้มันนาจจะสะสมกันมามานานแล้วก็ยิ่งยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะระบายถ่ายถอนเหมือนกับอาหารเป็นพิษเือเมือกัสสารสารพิษในอาหารที่เราสะสมมานานสสดงที่ดีทนทอกันก็ ก็เป็นของใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในพื้พนที่เพึ่งสะสมแต่ัยของที่มันสะสมไม้นานนี่โหยากก็ต้องทำามันถ่ายระบายถ่ายถอยมันไปเรื่อ ย, อยในจิตของเราเหมือนกันก็มีสิ่งที่สะสมมากมายนะก็ต้องอาศัยสติที่ ที่ที่มีกําลังหรือว่าใส่การมันพิจารณาอยู่บ่อยๆมันก็จะออกมาก็จะเห็นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะใสใจมันก็จะใสอาจารย์หลวงพเทียนท่ก็เปลี่ยนวิว ก, การขุดการขุดปอน้ำ แล้วก็วิดน้ำวิดน้ำวิดน้ำวิดน้ำใหม่ๆน้ํ า, านะก็ยังขุนแต่วิดไปเรื่อยๆวิดไปเรื่อยๆน้ําก็ไม่หมดหรอกเพราะว่ามันถึงตาน้ําแล้วนะวิดไปวิดไปไม่ได้หมดแต่ว่ามันใสใสขึ้นเรื่อยๆใสขึ้นเรื่อยๆใสขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้เราก็ต้อง ก็ไม่ไม่ลดละความพยายามไม่ลดละความเพียนหน้าที่ของเราคือทำความเพียนแต่ว่าอยากจะไปเร่งให้มันใสมันทำไม่ได้เนะมื่อการปลูกต้นไม้หน้าที่ของเราก็คือรดน้ำต้นไม้ดูแลต้นไม้ทวนดินอาจจะใส่ปุ๋ย แต่ว่าหน้าที่ออกต้นไม้หน้าที่ออกออกดอกออกใบออกผลนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเป็นหน้าที่ของต้นไม้หรือว่าพื่ถูกต้องก็นด้คือมันเป็นหน้าที่ของธรรมชาติ<ม>ผลงานเป็นเรื่องของธรรมชาติ<ม>แต่ว่าความเพียรเป็นเรื่องของเรา นั้นเราก็ต้องเราก็อย่าไปทําอย่าไปสับสนหรือทานอกหน้าที่เราบางทีแทนที่จะลดน้ำต้นไม้ทําความเพียรในการดูแลต้นไม้กลับไปเร่งเราให้ต้นไม้มันรีบออกดอกออกผล อันนี้เรียกว่าทำผิดหน้าที่เรื่องการออกด อ, อกออกผลมันเป็นหน้าที่ของต้นไม้เป็นหน้าที่ธรรมชาติไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือการลดน้ําปรนจินให้ดีในการปฏิบัติก็เหมือนกันการมาเป็นทางจิตก็เหมือนกันหน้าที่ของเราคือว่ากา ร, การมีสติรู้อยู่เรื่อยๆรู้อยู่เรื่อยๆ ไม่แม้จะไม่รู้ก็ไม่ท้อไม่ถอยนะก็ทําทําต่อไปส่วนผลของการปฏิบัตินั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยนะ แล้วก็มีชื่อเรียกหลายชื่อบางทีกบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ เ, เรื่องเหตุปัจจัยมางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องของตากต า, ตาบางคนก็กว่าเป็นเรื่องของฟ้าดินอันนี้ก็พูดกันโดยใช้ศัพท์ต่างๆกันแต่โดยสรคือมันเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราผลที่ปรากฏผลนี่มันเป็นเรื่องที่ อยู่เนือการควบคุของเราแต่สิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเราก็คือความเพียรความพยายามซึ่งก็รวมถึงการวางจิตวางใจให้ถูกต้องด้วยเพียรพยายามไปทำด้วยจิตที่โหมจิตที่อยากได้อยากเอานี่ก็ไม่ถูกต้องทำความเพียรก็ต้องรู้จักพอดี เป็นความเพียรที่ประกอบด้วยปัญญาและสติที่เรียกวิริยะสมมตาทับเพียรมากไปทำด้วยความใจที่โหมใจที่จะเอามันก็ไม่ได้เนี่ยนาูอาจารย์มีก็มาสอนเนะ่ยพะส น, นักติกันนะก็ เทียนเทียา ม, มาาเดินจงกลมจนกระทั่งเท้าแตกเลือดไหลซย่ิซี่ก็ยังเดินทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนจนกระทาั่งทางเดินจงกลมนีเพื่อนไปด้วยเลือดก็ยังไม่บรรลุธรรมจนทางพูะเจ้าต้องมาต้องมาเตือนด้วยการเปรียบเทียวกับพินสามสาย ถ้าสายไหนสายใดตึงก็ไม่พะสายไหนหย่อนก็ไม่เพะสายที่พอดีพอดีนั่นแหละถึงจะไพเราะความเพลยงก็เช่นเดียวกันก็ต้องพอดีพอดีมันทีก็เลยไม่เข้าใจว่าต้องเป็นความต้องต้องเป็นทางสายกลางความเพลยนพอดีคือทางสายกลางนี่ไม่ใช่ทางสายกลางไม่เกี่ยวกับเรื่องความเพลยน หรือว่าไม่ใช่เรื่องความเพียรอย่างเดียวความเพียรถ้าพอดีพอดีอันนี้เรา เ, เรียกวิริยสมตาอะไรถ้าความพอดีมันหมายถึงว่าเป็นเรื่องของปริมาณแต่ทางสายกรรมไม่ใช่เรื่องปริมาณเป็นเรื่องคุณภาพคุณภาพที่มันพอเหมาะพอดีหมายถ่คุณภาพที่มันถูกต้อง อันนั้นเรียกว่าทางสายกลางแต่ถ้าอะไรที่มันไม่มากไม่น้อยอันนี้เขาเรียกว่าความพอดีความเพียงหรือวิญญสมรตาเกือนนี้ น, นีความเพียงก็เป็นเป็นเรื่องของเราการเจริญสติการดูใจของเรา เป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่เรื่อยๆไม่ได้หยุดแต่ต้องทำด้วยด้วยท่าทีรือด้วยด้วยจิตที่เป็นปกติไม่ได้จิตไม่ใช่จิตที่อยากมีอยากเป็นอยากเอาหรือว่าจิตที่โหม m h ร m ทหม o รทมนี่มันก็เพราะความอยากมีอยากเป็นอยากเอานั่นเอง ซึ่งก็ทำให้กลายเป็นความทุกข์เพราะว่าเมื่อครั้งเมื่อเผลอก็จะโกรธตัวเองเมือ่อแล้วเมือ่อโกรธถ้าโกรธแล้วเห็นก็ดีไปก็ถือว่าได้กําไรการเจริญสตินี่ดีทุกอย่างกลายเป็นกําไรหมดถ้าขอให้รู้ก็แล้วกันโกรธแล้วรู้ก็ได้กําไรเศร้าซ่อยแล้วรู้ก็ได้กําไร แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ปฏิบัติด้วยความตั้งด้วยความเอาจริงเอาจังเกิดความกวดเกิดความห ม, ดมุดหงิดก็ไม่รู้แลนะทไปทำไมาก็เลยกลายเป็นทอ้อกลายเป็นขาดทุนไปแต่ถ้าเรามีสติรู้เออไม่มันเผลอไปตอนที่เผลอนะันไม่มีสติ แต่พอเผลอแล้วโกรธ เ, เกิดมีสติขึ้นมาอันนี้เรียกว่าผ่านเรียกว่าได้กำไรเพราะว่าในการที่เห็นความโกรธอยู่ใ่บ้า ก, ก็ทำให้เรารู้ทันความโกรธได้ดีขึ้นเรื่อยๆความหงุดหงิดความเศร้าโศกใส่ใจทั้งหลายน้ำพวงก็เหมือนกันมันจะมาไม่ไหนเราก็จะเราก็จะไวมากขึ้นเพราะว่า และลึกรู้ในอารมณ์ได้จะเรียกว่าจำอารมณ์ได้ได้ไวก็ได้ก็เหมือนกับเชื้อโลกมันเข้ามาภูมพุ้มกันหรือเม็ดเลือดขาวของเราเมื่อเนื่องจากเคยเจอเชือ้อแบบนี้มาบ่อยๆก็เลยจำได้จำได้เมื่อพมันมา ก็เล่นงานือกลืนกินมันได้จัดการมันได้ปราบมันได้แต่ถ้าเป็นเชื้อใหม่มาไม่เลือขาดนี่ก็จนปัญญาเพราะไม่เคยเจอมาก่อนไม่มีความจำจำไม่ได้ก็โดนไม่เลือขาวไม่เลือขาวก็เลยอาจจะทำไปไม่รู้ร้อนปล่อยให้เชื้อโรคหรือไวรัสเข้ามา ทำอันตรายแก่ร่างกายหรือบางทีเชื้อโรคนั้นก็มาเล่นงานไม่เลือดขาวเส้นอย่างโรคเอชเอชไอวีแม้การที่เราเจออารมณ์ตอนที่เราเผลอไปแล้วไปปรุงเป็นอารมณ์ขึ้นมามันก็ดีเหมือนกันถ้าเรามีสติรู้มันก็จะระลึกได้ไว เมื so ่ออารมณ์นั้นเกิดขึ้นแต่ข้อสำรัญก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะจะเกิดขึ้นตับตีกับใจหน้าที่ของเราก็มีเพียงอย่างเดียวคือว่าการมีสติรู้เห็นอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ภูเป็นการเห็นนี่มันมีพลังมากเพียงแค่เห็นเท่านั้น อารมณ์มันก็ตั้งอยู่ได้ยากไม่มีที่ตั้งมันแท้มันแท้การรู้การรู้ทันด้วยสติหรือด้วยสัพพัญญะมันก็เหมือนกับมามานี่ก็แพ้การรู้ทันมันจะมามานี่เก่งมากในการหลอกลวงในการปลอมในการหลอกลอ่อ สารพัดลูกไม้บางทีก็หลอกให้คนหลงบางทีก็รอมตัวเป็นสิงสาราศที่น่ากลัวเป็นพยาช้างเป็นงูใหญ่ให้นักปฏิบัติกลัวบางทีก็เข้าสิงอย่าง่างคราหนึ่งพวกเจ้าก็กำลัง สนทนากับพระกับพรมพระกับพรมนี่เชื่อตัวนี้เป็นอม ต, ตะเพราะว่านึกย้อนไปกี่พบกี่กี่กับกี่แกงก็ยังเห็นตัวเองอยู่อย่างนั้นนี่คือตัวเป็นอมตะพระพุทเจ้าก็มามาทรมานพระกับพรหมทรมานคือเราม า, มาทําให้เกิดเปลี่ยนใจเปลี่ยนนิสัยให้เห็นว่าตัวเองนั้นไม่เที่ยง มามเห็นว่าพระกับผมทําท่าจะไม่ไหวก็เลยมาสิงมาต่อว่าผู้ติดเจ้าผู้เจ้าก็ไม่ได้ทำอะไรก็เพียงแต่ว่าว่ามาเรารู้จักท่านอย่าไปนดู ว, ว่าเราไม่รู้จักท่านผู้ใส่พระกับผมซึ่งถูกมารเข้าสิงพอรู้เท่านั้นแหละมารก็ถอยมันเลย มันแพ้กับคำว่ารู้คำว่ารู้ทันคาว่ารู้จากท่านนี่มันกลัวที่สุดนะในกิเลหรืออารมณ์ต่างๆที่มันหมักมมสะสมในใจเราหรือว่าสายจเราไปทิศต่างก็เหมือนกันมันกลัวมันแพ้กับสิ่งที่เรียกว่ารู้ รู้มันก็มันก็ยอมแหละนี่อันนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรมากไปกว่าการมีสติรู้เกี่ยว่าความตื่นรู้ความระลึกรู้ความรู้ตัวอันนี้ก็อันเดียวกันแต่ว่าเป็นการรู้ด้วยด้วยไม่ใช่ด้วยการจําด้วยการคิดแต่ว่าด้วยการประจักษ์ เมื่อทำเช่นนี้บ่อยๆมันก็เท่ากับเป็นช่วยรื้ช่วยถอนอารมณ์ต่างๆสติทําเองเราไม่ต้องไปทํานี่ยไม่เข้าใจว่าต้องไปขับไล่สส่งอารมณ์หลานั้นอันนี้ยิ่งทํายิ่งไปขับไล่มันมันยิ่งสู้มันยิ่งประโยนดมันยิ่งซ่อนมันยิ่งหลบบางคนก็ไปไม่เข้าใจโกรธก็พยายามไประงับความโกรธไปกดความโกรธเอาไว้เกลียก็ไปกดความเกลียดเอาไว้น อันนั้นทําด้ทำได้ความอยากก็เท่ากับว่าทําให้มันฟูฟ่องหรือว่าได้กําลังมากขึ้นมันอาจจะหลบมันอาจจะซ่อนแต่ว่ามันก็มีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เขาไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้จัดใช้สติเข้าไปจัดการปล่อยให้สติเข้าไปทำงานเองเมือนการ น, น้ําเสียเราก็ไม่ต้องไปบิดน้ําเสียหรอกบิดน้ําเสียมันเหนื่อยเพียงแต่ทดน้ําดีเข้าไปน้ําดีก็ไปไล่น้ําเสียเอง มันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของสติอย่าไปอย่าไปอย่าไปแย่งหน้าที่ของสติสติธรรมชาติสติมาเพื่อทำหน้าที่นี้เขก็ทำหน้าที่ขเขาไปผลจะเกิดยังไงก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหรือเป็นเรื่องของตัตายกผลนั้นให้เป็น เรื่องของธรรมชาติไปหน้าที่ของเราไม่ต้องไปสนใจในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของธรรมชาติหน้าที่งเราคือทําเราไปอย่างที่กัผู้ใดฟังวนนี้ประสิทธิก็มีเนี่ยความ เ, วเป็นของมนุษย์การกระทําเป็นของมนุษย์ความสำเร็จเป็นของฟ้าดินนะ ฟ้าดิในที่นี้ก็หมายถึงธรรมชาติหมายถึงตถกตานะยกให้เป็นงานของเขาไปหน้าที่เราทําให้เต็มทีนะ่เต็มที่ก็อย่างที่ว่านะก็ต้องมีปัญญาต้องมีสติไม่ใช่โหมเข้าไปด้วยความอยากนะทําด้วยความรู้สึกสบายการจีตแะสตินี่จริงๆก็เป็นเรื่อง ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่ต้องอาศัยความเคร่งเครียดไม่เหมือนการเรียนหนังสือที่ต้องอาศัยความค้ำเคร่งไม่คําเคร่งบางทีก็เรียนไม่ผ่านแตสตินี่มันไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพเ่เจงก็บอกว่าทําเล่นๆไปทําเล่นๆแต่ทําเรื่อยๆถ้าเครียดเมื่อไหร่แสดงว่าผิดแล้วการเจริญสตินี่หนึ่งง่ายมากคือถ้าเครียดคือผิดนะ ถ้าทุกนี่คือผิดแต่ว่าคนก็ไม่เข้าใจคือทําให้เครียดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจมันต้องมันต้องเครียดเราถูกฝึกให้เครียดวิธีปฏิบัติก็ง่ายคือถ้ามันถ้ามันหนักมันเครียดคือผิดผิดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเสียใจผิดก็ผิดก็เป็นครูได้ ผิดก็เปลี่ยนผิดให้เป็นถูกก็ได้ทําผิดก็เป็นกําไรชีวิตได้เหมือนกันไม่ใช่ขาดทุนถ้ารู้จัมนะจกมองการเจเสิ่งดีจริงทุกอย่างนี้เป็นเป็นของดีไปหมดถ้ารู้จักใช้นะขอเพียงแต่รู้ก็แล้วกันถ้ารผิดก็รู้ว่าผิดและพอมันจะปรุมเป็นความ โมโหความนี้ก็รู้อันนี้การเป็นกำไรเป็นเป็นการเพิ่มกำลังให้กับสตนะิแต่ถ้าหลงไม่รู้มาหล่ก็มันก็แย่ขาดทุนทันทีอันนี้เราก็นะถ้ามีสติกัก็คือการมีสติเฝ้ารองจิตสิ่งที่หมักหมมในใจ มันกมม็มีน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ขณะเดยกันเราก็ต้องรู้จัก จ, จัดสรรชีวิตของเราให้มันเหมาะสมด้วยรวมทั้งจัดสรรสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นถ้าเราเสพเราไปเสพอารมณ์ต่างๆมากเกินไปไปเสพภาษามากเกินไปมันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเจออารมณ์ที่หมักหมม เมื่อคนที่กินอาหารมากๆกินอาหารมากๆกินไว้กินเข้าไปกินเข้าไปสารพิษมันก็สะสมมากขึ้นและที่สำคัญก็คือก็คือว่ากระเพาะนี่มันไม่มีเวลาจะมาจะมาถ่ายของเสียไปเพราะมันต้องมันไม่ว่าว่าเต้องเอาแต่ย่อยเอาแต่ย่อยเอาแต่ย่อยก็เล่นกินอยู่เรื่อยๆมันก็ต้องย่อยย่อยย่ยย่อยเลยไม่มีเวลา ไม่มีเวลาว่างและไม่มีกําลังเหลือที่จะไประบายถ่ายเทขับสารพิษออกไปฉะนั้นวิธีการที่จะขับสารพิษที่นิยมแล้วก็คือว่างดอาหารเพื่อให้อวัยวะในร่างกายมันพักจากการย่อยไปทุ่มเทให้กับการขับสารพิษออกไปทีจริงเราเหมือนกันบางทีเราไปรับอารมณ์ต่างๆเข้ามามากแล้วมัน รับมารับมารับมามันไม่ใช่ผ่านเลยแต่มันทิ้งตะกอนอารมณ์ไว้แล้วก็ไม่้องไม่องพูดถึงประกายอารมณ์ที่มันบางทีก็แลกกลายเป็นหรือลูกลกามกลายเป็นเปลวเพลิงดังนัน้นบาทีกต้องจัดสรรนาชีวิตแล้วจัดสรรเสียงร้องเพื่อที่ไม่ให้มีสิ่งเศษที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมากเกินไปใจสติได้มีเวลาที่จะ ดูทันกับอารมณ์ต่างๆที่อย่างทั่วถึงไม่งั้นมันนัวเนียไปหมดสติก็ไม่ไหวสู้ไม่ไหวตะกลอนอารมณ์ก็ทิ้งสะสมมากขึ้นอารมณ์ที่หมกหมมสะสมมันก็บูดไปเรื่อยๆก็กลายเป็นอันตรายเป็นที่เป็นภัยแต่กายและใจของเราก็ต้องรู้จักจัดสรรเวลาและชีวิตให้ดีเดี๋ยวให้ผัสสะต่างๆมันมาท่วมทับ เราหมดเดี๋ยวนี้ผัาษามันท่วมทับไปหมดตนจนเหนื่อยอ่อนทั้งกายและใจืการมาปลีกตัว ป, ปลีกเล่นอยู่บ้างก็ดีเหมือนกันถ้าวัสติของเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะรับมือกับผัาษาอารมณ์ที่ท่วมทับที่ท่วมทนได้แต่าก็ไม่ใช่ว่ามาหลบอยู่ในนี้มาปลีกตัวอยู่ตลอดเวลาก็ต้องออกไปไปรับมือไปเรียนรู้ กัดภาษาที่มากระทบการที่จะไม่เห็นไ ม, ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอะไรเลยนะั่นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเคยมีพรา ม, ม์เนก็สอนว่าเนี่ยชีวิตจะเป็นสุขได้ต้องไม่เห็นต้องไม่เห็นรูปต้องไม่ดีนเสียงอันนั้นไม่ใช่มันเป็นความสงบที่แบบมืดครนะูเจ้าบอกว่าทำแบงนั้นก็ไม่ต่างจากคน ตาบอดหูหนวกไม่ใช่ไม่ใช่วิธีวิธี ท, ที่ต้องการรู้รับรู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับภาษายอย่างรู้เท่าทันเกี่ยวข้องกับโลกอย่างรู้เท่าทันคือเป็นนายมันเป็นอิสระจากมันอันนี้ก็พรมีสติมีตั้งจิตอยู่บนฐานรู้นั่นเองอก็พอสมควรจะเวลากลับพระพรกัน